เอาฟังนะบารี้ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกอยังไ้ฟังพวกเข้ามาต่ง า, ออออาตงหาอำเภอปะเออมาต่างหาอำเภอจังหวัดไม่จังหวัดบึงการเดี๋ยวหลวงพอ่อบอกธรรมะให้ฟังพราะพวกเข้าไปสูวัดว่าศาสนามาสูวัดครูบาอาจารย์ก็อยากจะฟังแนวความคิดหรือว่าแนวธรรมเทศนาครูบาอาจารย์แต่ละวัด เพิ่นมีความคิดความเห็นจังไรเพิ่นปฏิบัติมากเพิ่นมีความรู้เพิ่นประสบประการมากจังไรพวกเข้าลูกหลานชัฏท่ า, า, ททท า, ค า, คายัดย่อมกับมีแต่ทำมากฆ่าขายทํามาหาเลี้ยงชีพนั่นที่พวกเข้าจะได้มาสู่วัดว่ า, าศาสนาเมื่อมาสู่วัดว่ า, าศาสนาแล้วก็ต้องอาศัยการใด้ยินใดฟัง่งเพราะพวกเข้าจะเฉลียวฉลาดจะรอบรู้จะรู้ได้ ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังคณะว่าพัวเข้าบดได้ยินได้ฟังเข้าจิตเฉียวฉลาดขึ้นมาพอโลเพลย์โลดนะ่ยมันเป็นไปบ่ได้เลยเออพราะนั้นเมื่อพัวเข้ามาสู่คูบาอาจารย์หลวงพ่อชาลีวัดป่าผู้ก่อนเปิดกระใหธรรมะแนวธรรมะมหาหลวงพว่อหลวงพว่อก็จะให้แนวธรรมะแต่หลวงพ่อก็จะบ่ให้นา่นหรอกเพราะว่าย่านผัวเข้าคํา เมื่อให้ธรรมะแล้วหลวงพอบอหนังแล้วหลวงพ่อก็จะมี้หนังสือแจกสักทาญาิโยมนะอันนี้แจกกูบาลจานเจ้ากอนเลาะต่อไปหลวงพ่อจะแจกพวกเข้าอีกทีห ล, ลังอย่าเฝ้าโรคนะคันโปรได้โรคสละสิษย์เลยหลวงพอ่อพอแจกให้ได้อพอหนั้นหลวงพ่อจะแจกหนะังสือธรรมะของคุณแม่ชืี้แก้วเพื่อให้พวกเข้าได้ไปอ่านไปศึกษาแล้วก็อาจจะมีเอ็มพี่สาม หลวงพ่อนําเพื่อเอาไปฟังเพื่อการศึกษาครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์เพิ่นเบาจังไดเพิ่นมีแนวความคิดจังไดเมื่อเข้าได้ฟังแนวความคิดของเพิ่นอาจจะถูกกับเข้าก็ได้จะถูกกับจริตเข้าก็ได้ในการเพิ่นแนะนําสั่งสอนนั้นแต่บางองค์เพิ่นกับเบามาเข้าก็บอกเข้าใจจะเป็นเพิ่นเบาอย่าง เป็นธรรมะขันสูงโพธิ์เท่ากับบอเข้าใจแต่บางคนก็เข้าใจโอ้เออพ้นคูบาอาจารย์เนี่ยบ้อแม่นบ้อถือแท้ๆเป็นธรรมอันนี้พ้นเข้าใจในธรรมคูบาอาจารย์แต่บางคนฟังแล้วบ้อเข้าใจในเมื่อบ้อเข้าใจกับฟังองคเอินไปเอกเมื่อฟังไปเออองค์งนี้บ้อฟังแล้วเข้าใจเนื้อหาสาระธรรมะฟังแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติได้ องค์นี้เปิลแสดงน่ยเพิลบอกเนี่เพราะฉะนั้นพวกเข้าการไปฟังธรรมะฟัง ห, หลายๆครูบาอาจารย์เบิงแต่ว่าถึงจังไรก็ตามในเมื่อเข้าฟังแล้วเข้าก็มาเปรียบเทียบกับหนังสือพระไตรปิฎกว่าคูบาอาจารย์เนี่ยบ้าถือบ้าแมนบอกขนาว่าเข้าไปฟังแล้วบานเนี่ไปฟังแล้วเข้ามาเบอกให้คูบาอาจารย์ฟังผม่ได้ฟังแล้วเป็นสิ่งสิคูบาอาจารย์มีความเห็นว่าจังไร ต้องไปหาพระภูใหญ่ถามเบืง้งหลายๆองค์เบืง้งขันวโวยเจ้าคิดแบบนั้นบ๊ถือแล้วมันพิษเด้อันนี้เข้าก็ต้องเออมันพิษเพราะว่าการแนะนําของเข้านี่เข้าจะไปเสือที่เดียวกระบอกใดเพราะเข้าเกิดมาสุดท้ายไพ่หลังท่านเข้าจีปักปําไปเสือกับเสีงยงใดเสียงหนึ่งมากเกินไปก็บอกใดเนี่ยังคู่บ่ายจานบางท่านบางองค์เอ้ยพระพุทธโรบเนจะไปกาบไปไหวให้ยัง เนี่ยผู้ไรกาบโง่เอาไปเผาไฟทิมจังฉี่ก็มีขูมือนี่มันมีมากหลากหลายอันนี้ยกเป็นตัวอย่างให้พวกเข้าได้ยินแต่ตามไม่จริงพระพุทธลูกก็คือตัวแทนพระพุทธเจ้าขั้นผ <speaking> like ู <pert> <uk> ้ไรไปกาบท่องเหลืองไปกาบอิฐกราบหินกาบปูนกราบไส้ก็โงแล้วคนไปโง่ง่ง่อิหลี่ไอ้พวมันโงเลนนโง่อีหรีเข้ากาบท่องเหลืองแต่ว่าเข้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้คือตัวแทนพระพุทธเจ้า ฮู้บจังซี่เครื่องฮู้พระพุทธลูกเป็นภาษาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาะเป็นต้นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปกราบท่องเหงเลืองเข้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญเป็นกุศลเขาสูจ่จิตใจเขาเข้าจึงจะเป็นอิฐหินปูนทรายกับเป็นพระพุทธลูกเข้าไปกราบระลึกถึงพระพุทธเจ้าเข้าบ่แมนจีไปกราบก้อนหินก้อนอิฐก้อนหินอยู่ใสกับไปกราบปูนซีเมนต์อยู่ใส่กับกรา บ, yep garden, าบเห็นท่องเหลืองอยู่ใส่กับก กบปรมาณจังสั่นเขาไปนี่แหละอันนี้ก็คือถ้ำคําสอนของพ่อแม่คูบาอาจารย์บังองค์กับพูดซื่อๆตรงๆไปก็มีเพรอะนั้นพวกเข้าต้องศึกษาให้สังเกตให้ใส่ปัญญาใส่ปัญญาพิจารณาให้ทีทวนด้วยเหตุด้วยผลนี่แหละอาศัยการได้ยินได้ฟังฟังเนี่ยมันต้องมีมากหลากหลายเลยเขาต้องเปิดหูหูทั้งสองขางให้ะไม่บ่มีพอไดปิดหูออกไปมีถึงปิดตาหูนี่เปิด ฟั่งทุกด้านพอเป่าพิดเป่าถือกก่อทไปผลงานในรักของพุทธศาสนาที่พวกเข้าคณะสัทธาญาติโยมพระนองนุงทั้งหลายที่มาสู่วัดหลวงพอนี่ก็มาแล้วก็มากราบมาไหวตามไปเพ้นี่ทาวัดคารวะมาคารวะตามวัดต่างๆคูบาอาจารี่รักเขารบนับถือที่มีอายุพรรษาพวกเขาก็ไปกราบไปไหวเพิลนอีกอย่างหนึ่งคือว่าทังทั้งภาคเหนือเขาว่า มุดน้ามดาหัวอไปฆรวะทางภาคกลางฆราวะแต่ทั้งภาคเข้านี่ว่าไปธรรวัดไปธรรวัดคู่บาอาจารย์คําว่าธรรวัดทางภาษาภาคกลางนั่นแปลว่าธรรมวัดขึ้นธรรมวัดเช้าทําวัดเย็นมาไปอแต่ว่าขันบานเข้าน่ะไปธรรวัดคู่บาอาจารย์หู้จักเร็วมาไปก็คือไปฆรวะเพื่อนนี่แหละมีขันดอกไม้ไปแล้วก็ก้าวอย่างที่พวกเข้าก้าวโมกี้เนี่ย มหาเทเลบางเทเลบังอาจารยเยบังประมาเทนะตะวารตะเตยนะคาตังสัพพังอัปปะละทางังคามะทุโนพันเตมกาพระเจ้าได้ประมาณพาดพังคูบายจารนด้วยกายด้วยวิจาด้วยใจก็ขอคูบายจานโอโหสีให้แกผู้ขาด้วยเทิดนี่คือความหมายนี่แหละพวกเข้าได้ไปกราบคูบายจารย์เป็นประเพณีในพรรษาพรรษาหนึ่งกระผมเข้าจะไปกราบเธอนึง เมื่อไปกราบแล้วพวกเขาก็จะได้น้ยินคูบาอาจารย์ให้โอวาดอย่างที่หลวงพ่อจะให้โอวาดคือเป็นแนวความคิดให้แกคณะจัทธาญาิโยมพระนองพระนุงพระลูกพระหลานทั้งหลายนี่แหละก่อนพวกเขาจะเฉียวฉลาดขึ้นมาได้จะมีความรู้ขึ้นมาได้ตองอาศัยการได้ยินได้ฟังในรักธรรมคัสอนพูว่าสุดตมะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตามะปัญญา ปัญญาเกิดจากการกินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินมานั้นมีเหตุมีผลมากน้อยแค่ไหนมากรองไตร่ตรองด้วยเหตุและผลมาเปรียบเทียบกับทำคําสอนของครูบาอาจารย์หลายหลายท่านหรือเปรียบเทียบกับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกอันนี้ว่ากินตามายะปัญญากินตนาการไข้ควรทบทวนและก็ภาวนามายะปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนาท่ า, าจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งซะก่อนแล้วมากันกล่องไตรตรองด้วยเหตุและผลที่ได้นั่งภาวนาท่ า, าจิตให้เป็นหนึ่งนั่นแล้วนั่นมากันกรองอีกทีหนึ่งอันนี้ว่าภาวนามยะปัญญาเ น, นี่ยอันในสงแห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัด ก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังจะได้รับความผ่องใสอเน้อั น, น, อ น, นสงแห่งการฟังธรรมเพราะนั้นพวกเฮาจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นมือนี่พวกเ้ากระได้มาสู่วัดว่าศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวหดวพอได้บอกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลวงพ่อจะกล่าวพวกพระลูกพระหลานพระน้องพระนุ่งซะก่อนคือพระสงฆ์เข้ามาสูว่งพระพุทธศาสนาเมื่อเขามาบวชแล้วพระพุทธเจ้ารับเป็นลูกของเพินได้เออพระพุทธเจ้าว่ารับเป็นว่าสาักกิบุตรพุทธชินนรสเนี่ยสักกบุตรถะถึงจะเป็นลูกตาสีตาสาตามีตามาน้ามกุลจังได้ก็ตาม แต่พ่อเขามาบวชแล้วพระพุทธเจ้ารับว่าเป็นลูกของเพิินเป็นว่าสากกะยบุตรพุทธชินโนโรดสากกระยาบุตรคือเป็นบุตรสากยะพระพุทธเจ้าเนี่เป็นสากยะยาบ้งเป็นพระเจ้าแผ่นดินคล่องกุงกระบินลพัดพระพุทธเจ้าได้ตัดสรูถ้มแล้วประกาศพระถ้มข้ามสอนผู้ใดนับถือพระถ้มข้าสอนของพระพุทธเจ้าเพิินปฏิบัติตามถ้มคําสอนของพระพุทธเจ้าเพิินนับว่าเป็นสากกะยบุตรผู มีผ่ากาสาวพัดจังส่เพราะนั้นพวกเข้าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเข้าควรทําตนจังไดจึงจะเหมาะสมในการที่เป็นบุตรของเพิินเป็นบุตรบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าที่สูงทรงที่สุดยิ่งกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้มดจดจากกิเลสปมมีกิเลสราคะโทสะโมหะในพระไถยของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเข้าเป็นบุตรผู้สี่สูงสุดเข้าควรทําตนจังใด อันนี้ให้พวกเขานึกคิดเบิงตรวจตราเบิงพวกเขายู่เสมออย่าให้ขาดตกบกพ่องคำว่าพวกเข้าทําตนบดีออกนอกหลูมนอกทางบ่ยู่ในหลักปรมวินัยบ่ยู่ในศีลในร้ำออกนอกหลูมนอกทางฆราวาสเขาเฮ็ดยังเขาเ้าก็เฮ็ดต่ำเฮ็ดแบบฆรวาสเขาบ่มีศีลบ่มีรรมอันนั้นถ้าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรนอกขอบ เป็นบุตรบูญในกรอบบรมเณบุตรที่ดีเป็นอวุชชาตบุตรตัวนึ่งไปพวกเข้าเป็นบุตรไปเภศใดกับพระพุทธเจ้านั้นขอให้พวกลูกพล้านพานองพนุทั้งหลายเนอะให้คิดในจิตในใจไว้เพราะทุกวันนี้มันมีมากหลากหลายเหลือเกินสิ่งวิทยาศาสตร์ที่เขามาที่จะมาทำาํำไรวงการของพวกเขามีมากแต่คำว่าพวกเข้าบอเทียงบอตรงบอหมั่นอิลี กระทำให้ควยเขวเสชใช้ไปได้ง่ายๆคือกันตาว่าพวกเข้าหมั่นในรักธรรมคําสอนเห็นพิจารณาถึงความตายไปอยู่เสมอถึงจะเป็นจังใดคือกันเับเข้าอยู่ไต้ข่มดับพญามัจจุราชเนี่ยพญามัจจุราชเดินย่องตามหลังเข้าอยู่เสมอหรือเข้าจิตยู่หัวเลาะเข้าจิตหลองให้ดีอกดีใจจังไดก็ตามพญามัจจุราชนี่คือถือดาบอยู่ทั้งข้อเข้าอยู่ตลอด ขั้นมือได้มือได้มือหนึ่งมือได้ละต่อไปพ้ายภพากนานเนี่ล่ะแจ็กสีแมนมือได้่ะแจ็กสีเ่เฮาแยามเฮานอนบ่ขั้นนอนกันยแยมว่านอนก็บไหลาตายวันนอกขั้นขี่รถเนี่ยคือเขานั่งรถไปสิก็รถความรถตกก็ะตายได้คือกันแามกินเข่าอิมีมก็ะตายได้คือกันเป็นว่าตายได้ทุกเวลําทุกเวลาหัวใจหล่มเร็วหัวใจวายตายได้มัดคําว่าตายเนี่ยแหละคืออยู่ตัยดาบพญามัจจุราช เพราะนั่นพวกเขาอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เก็บสังสมคุณงามความดีเอาไว้สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าพันสอนปัญญาย่าหลุ่มอย่าหลงเน้อย่าหมวอ ย, า, วอยาเมาเนะ้อพอหลอกกันเี่มันบ่แม่นหาความสุขบ่ได้เด้มิตรทุกยังเห่าลู่ไปลู่ไปเห็นเลยเข้าไปตัดสรูถ้ำอยู่โคนตนโพนะอยู่เงาตนโพนะ่ะที่พุทธคยานะเนี่อตอนหัวคำนะํำเข้าไปบําเพ็ญอยู่หกปีคนนี้ ไปบําเพ็ญอยู่หกปีอยู่ในแถบนั่นนะที่แม่น้ามนโนมาที่เท่าบําเพ็ญอยู่น่ะบําเพ็ญอยู่หกปีวันที่ได้รัชลูถ้ำเนี่ยคือวันประสบความสําเร็จนั่นวันเดินหกเพ้นก่อนที่เท่าจะได้สําเร็จเท่าเห็ดเท่านังพระวนานะ่ยพระพุทธเจเ้าบนว่าเออพนังสมาธิขาขวาทับขาทรายมือขวาทับมือทรายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้า กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกในคณะนั้นพระอาทิตย์ยังไม่อัดฉลองคือพระอาทิตย์ยังบมดท่านตกดินเมื่อวันเดือนหกเพนเพิ่นนางหันนาไปทางทิศตะวันออกนางคัจจมาธีนั่งตัวตรงจากท่านเพิ่นกำหนดลมเลยอันนี้ให้พวกเข้าฟังเอาไว้กรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่เพิ่นภาะวนาหยั่งมือนั้นมือเพิ่นได้สำเร็จมือเพิ่นได้ตัดธารุถ้ำนะเพิ่นนางภรวนาเนี่ยเพิ่นนางพระวนาเพิ่นออกกรรมฐานหยั่ง เออเพื่อนวันใดเอาก ร, รมะฐานอย่างเด้เพื่นเอาก ร, รมฐานกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นพระอาทิตย์พรท่านตกดินพระพุทธองค์จิตร่วมจิตสงบจิตร่วมพอจิตร่วมลงไปแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดชาญมโนไปเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในคณะที่จิตสงบเมื่อจิตสงบเกิดยานาทัศนะแล้ว พระพุทธองค์ระลึกชาติผลหลังได้ปุเพเนวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละเป็นอันว่าพวกเขา้าพุทธศาสนกชลพระสงฆ์น่องนุ่งทั้งหลายคิดเบื้งโนบานี่พระพุทธเจ้าในถ้ำข้ามสอนของพระพุทธเจ้าเนี่พระพุทธเจ้ายืนยันนะตายแล้วบวชศูนย์นะฆนวัตศูญยจีระลึกชาติผลหลังได้จังไหนเม่นบวระพวกเข้าคิดเบื้งนนบานี่ฆนว่าตายแล้วศูญย์จีระลึกชาติผลหลังได้จังไหน สายล้วบอ่อศูนย์เปิดยิงระลึกชาติโนหลังได้เปิดระลึกว่าชาติที่แล้วมาจากสเพิ่นว่ามาจากสวรรค์ชันดุสิตพระออพุทธเจ้าเพิ่นว่าเพิ่นหลูนะ่เพิ่นมาจากสวรรค์ชันดุสิตลงมาเกิดกับนั่งสิริมหามายามาไปสูตดนะแล้วก็ก้อนนี่นั่นมาจากสก้อนจะขึ้นไปสวรรค์ชันดุสิตมาจากพระเวทชั้นร้อนนะออกจากพระเวทสัน้นรอนไปใส่ปุ๊กไล่ไปเรื่อยรละบาดเนี่ยติดภพติดชาติ มากไมา้ก า, กายกองเลยบางเนี่ยย่าวยียดเลยคือกันกขาเข้ามาจากจังหวัดนองค่ายจังหวัดบึงการของเขาเนี่เขาออกมาจากวัดมันพาลใจเดาลงไปอย่างมาหอดนางอยู่มองนีอันที่ผ่านมาเนี่ยคืออดีตทั้งหมดเป็นอดีตตชาติก็ว่าได้อันนี้คือพานมาเนียกว่าปุเพเนวาสานุจติยานคืออดีตชาติวันไปที่ผ่านมาเนีบาตรในอนาคตบาตเนี่ยพ่อฮู้เจ้าอดีตเป็นมาจางังใด มาจนมาถึงจุดนี้ได้นี่จิตใจของเฮาเนี่เป็นนักท่องเที่ยวใจของเฮาเนี่ยมาเกิดนี่มาเกิดตามพบหน่อยพบไง เ, เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดบ้านี้พ่อถึงเทียงขึ้นบ้านในพระองค์นั่งพ่วันหน้าติดต่อไปอีกจิตใจสงบน้องไปอีกได้ตัดสรุูขึ้นมาอีกอได้รูชาญเกิดญาณทัศนะขึ้นมาอีกว่าจุตูปป า, ปาตญ า, าน บาดในพันหูเจ้าวจการจุติการจุติการเกิดการตายของสัตว์เนี่ก่อนจะว่าเกิดหมองนี้เนี่ยมาจากใสบาดเนี่ยมันคนเกิดเป็นอย่างมันบ่เสมอกันบาดเนี่ยบางที่บอกเกิดหูหนวกตาบอดก็มีบ้าใบก็มีขาปศขาขาดก็มีงกงูก็มีฉลาดก็มีเป็นบ้าก็มีเป็นคนดีก็มีห่างมีสีสุกก็มีเป็นอย่างมันบวกืึกันมาเกิดขึ้นกันมนุษย์ขึ้นกันเป็นอย่างมันบวคขึ้นกัน พระพุทธเจ้าพ้นกระเบิงอีกบ้างเนี่ยโอ้จุดตูปปาปาตัญาเนี่ยการจุติการเกิดการตายของทรัพย์สัตว์เนี่พราะเขาทำเพรนี่มาเกิดเป็นอย่างเขาจึางเป็นคนโง่พ้นกระเบงโอ้ชาติที่แล้วนี่ยเออเขาขายเหลา้าเขากินเหลา้าเขามุกมุ่นในยาเสพติดเออกินขั้นช้ายาฟินเฮโรอีนกินเหลา้ากินยาติดไปในทั้งยาเสพติดเกิดมาพบนี่ชาตินี้น เขาก็เลยเป็นคนปัญญาอ่อนเป็นคนวชิรัตบาลนี่คนพอดีเกิดมาแล้วไปยังยังตายไวเถอะบาลนี่ยเพราเหตุใดเพิ่นกระเบงไปอีกโอชาติที่แล้ว เ, เขาชอบขาสัตวดขาสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพของเขาเลยเขาบริคิดยังนี่แต่ขาสัตวดขาขู่ขาค่นขายังขวางหนาขามั้ที่บม พ, อ, พอใจเกิดมาพบนี่ชาตินี้เขาจึงมีชีวิตอายุสัน้นเนี่ยพราะพยาย่อที่เจ้าปัญหูจากวิธีชีวิตบาลนี่ ออกจากชาตินี่บาตรเออกจากชาตินี้ไปแล้ว เ, เขาได้ทําบุญไอ้ยังเขาจึงไปเกิดภพนาชาติหนาเขาจึงไปเป็นเทวดาจะไปเป็นพร่มไปเป็นเทวดาแต่ละชั้นแต่ละภูมิพราะเหตุใดอันนี้พระองค์ก็หู้อีกเออถาวาเขาประกอบคุณงามความดีในภพนี่ชาตินี้ออกจากชาตินี่ไปแล้วเขาจะไปสู่สวรรค์ชั้นนั่นชั้นนี้พระองค์ก็หู้อีกอันนี้ว่าจุตูปะ ป, ะปะตาตยาน การจติของสรพสัตวเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระยังบอกว่ายาเน่าคณะสัทธาญาติโยมลูกศิษย์ของเล่าเน่ายาเห็ดความชัวเน่อยาถ้ำความชัวเน่าให้สร้างแต่ขุนง่ามความดีถ้าผู้ใดเห็ดคว่ำชวนเดบตกต่ำเด้อไปในทางที่ซัวเด้เอเกิดเป็นคนหูหนวกตาบอดบ่าใบเสียจิตอายุสั่นเพราเหตุใดเพราะมันมีที่ม้าที่ไปเด้แม้จะว่าจู่ๆป่าแต่ย่านก่อนที่จะไปเกิด ให้พบพุ่มที่สูงทรงขึ้นไปก็เป็นบุญเป็นกุศลผู้ที่มาสร้างบุญเพราะฉะนั้นให้สร้างแต่บุญนะอย่าไปเหตุบาปนะพอพูดไอ้เจ้าเป็นเตือนนะเลยเตือนเป็นขําบาลีเพิ่มว่าอากะตังดุกกตังเสยโยปัดชาตปฏิดุกกตังยยตตกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเพาผผานให้ผลชั่วเมื่อภายหลัง เมื่อเข้าเหตดไปแล้วเมื่อเข้าเหตุเข้าก็บอกขีดแต่แต่มันติดตามมากคือกันครับเข้าโมโหให้แก่คนเนะ่ยขามา้าเนีย่ยไปปืนยิงเขาเนีไปฟันหัวเขาเน่ยตอนที่เช็ดนะ่ยมันบอกขีดเนี่ยไอ้พอมันโมโ ห, หนอนเไปพ่อปืนไปยิงเขาเราไปคาเขาหลายบาทเนี่ตำรวจไล่จับเข้าได้บาทเนี่ยพอไปจับเข้าไปเนี่ยไปขังอยู่ในคุกพนังงานเนี่ยตาเหลือบแมบแม บ, แมบโอ้ยกุสร้างเหตุเนี่ย อ, อ, อารมณ์เพียงโมโหโซ ว, ว, วบุววบโซ ว, วาบาทเลนาจะอดทนได้ฮะ นี่แหละมาสำหนึกได้ที่หลังพราะพูใ้ใจเจ้าคนกามชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมจะให้ผลเป็นทุกข์เมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเข้าคณะชาติญาณ ย, ยมลูกหลานทุกคนดนะ้วยเหตุนีงให้ยับยั้งทั้งคิดใจอย่าไปวูว่ามต้องคิดให้รอบคอบซะก่อนให้สร้างแต่คุ้นง่ามความดีตายแล้วบอ่พอสูญพราะพูใ้ใจเจ้าเพันไปพิสูจน์แล้วทีขคนตนโพ่อพันนางสมาธิเบื้งแล้วเพิ่นเห็นวานโนไปเพิ่นว่าร่างกายกับใจนี่ อาศัยกันอยู่ในข้นเข้านี่พวกเข้านางน้ากันทุกคนเนี่มิกายครับใจคนว่ากายก็คือร่างกายที่มองเห็นนี่ที่มวกเข้ามองเห็นคือร่างกายรูปร่างกลางตัวเป็นมาจังไรค น, นว่าเป็นในอดีตชาติเด็กขั้นผู้ใดสอบทําบุญทําท่านกับของสวยงามเกิดมาพบนี่ชาตินี่กิสวยงามขั้นผู้ใดไฟในการศึกษาและก็บบติดในการดื่มสุาาร า, า, ราขั้นชาติยาฟิน พวกนั่นกับเฉลียวฉลาดนะเป็นวางทันเพราะนั้นเพิ่นเบิงแล้วทานไปร่างกายของมนุษย์กับใจของมนุษย์นี่ยอาศัยกันอยู่คือกันกับรถกับคนขับรถจังสันละคนขับรถว่ามีรถรถว่ามนคนขับรถท่นไปแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่อาศัยกันคัน่นาวะว่ามีคนขับรถมันกับใบบ่อได้คันนาวามีแต่รถบ่มีคนขับคันนาวามีแต่คนบ่มีรถ อคนมันก็ต้องยางว่าลงไปต้องอาศัยเจ้าของนี่แหละใจคืออาศัยร่างกายเป็นผู้ดูแลแต่ว่าร่างกายของเข้าบาดนี้ท่าว่ามันเจ็บไขรได้ป่วยนี่ร่างกายมันบาดทุกเด้ใจเป็นผู้ทุกเด้บบาดนี้ความรู้สึกเน่ยมันทุกข์กว่ามันทุกข์ในใจกายมันโมูหจั๊กอย่างเลยก็ายการกระปรดลดราคาแพงๆว่า พ, พ่อลูกสูบมันติดสายพานมันขาดจริงๆ เออสายพานรถมันขาดนี่เจ้าของรถได้เป็นทุกข์รถมันสื่อสื อ, อยู่มันจอดสื่อสื่อวนไปมันบริเกิดยักรถแต่ว่าเจ้าของเนี่ย่างอ้อมรถแหลนแค่นแหลนแค่นวนไปโอ้ยรถกูเสียเลอะไรจังได้ที่สอมจังไหนสีหาสร้างสมาสอบสี่เอาอะไรมาแต่ใสน่นี่เออสีเอารถไสมาลากมันไปนี่นี่แหละเจ้าของรถเนี่เป็นทุกข์วนไปอันนี้คือกันพราะพวกไอ้เจ้าเพิินไปเบิ่งแหละ เพิ่นไปนางพวงนาเบิงแล้วร่างกายกรับใจนี่อาศัยกันอยู่เป็นคนละอันกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นให้ความสําคัญเรื่องใจมากกว่าคือให้ความสําคัญเรื่องค้นขับรถนะมากกว่ารถเอ่อขนขับรถเนี่ยทาว่ามีเงินช่ยายังไปซื้อรถขั้นใดก็ได้กันมีเงินมโนไปคันว่าคนขับรถเนี่ยพอเกิดมาแล้วว่าด้สนใจเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุนเรื่องโทษว่าหรืสนใจเรื่องบุญกุศลมีแต่เกิดมาแล้วก็มีแต่มั่วเม่า หาใส่ปากใส่ท้องกินเหล่าเม้ายาโซ ล, ลาหน้าลีกเหรียญการพน่งการพนั่นบม่ได้สนใจเรื่องการกุศลวนไปเกิดมาพบนายชาตินาค่นนี้แหละจนวนไปพ่อจนทีนี้พ่อลถขั้นนี้เสียได้บาทนะี่ยเสียคือตายวนไปพ่อลถขั้นนี้เสียไปแล้วบาทเนะี่ยไม่ได้สนใจเรื่องบุญกุศลเลยเป็นคนจนนะใจจนวนไปนะี่ยใจจน จะหางินไปซื้อรถขั้นอื่นก็ซื้อบอ่อไรบ้าเนเฮ็ดยัยงไดก็ไปหาเกิดเป็นหมูหมากาไกไปแล้วบานนี่ยไปเกิดเป็นลิ่งข้างบ้างชนี่ไปแล้วอาไปไปเกิดเป็นสัตว์ธิรชานไปเพราะเหตุใดเพราะว่าใจของเฮ้าบริสังบริไยในการผู้สนนี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นมองเพิ่นเห็นเลยขั้นว่าผู้ใดเกิดมาแล้วตั้งอกตั้งใจรักษาศีลพวนาไหวพระสวดมน่อนให้รู้จักคุ้นปีดามั่นดา ข้น ค, คู่อุปชาอาจารย์ไหวยวดข้นณวดให้รู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักการสั่งบุญสั่งกุศลเกิดมาพบนาชาตินาเกิดเป็นคนรุ้ยนเนีพราะเหตุใดเพราะรถคั้นนี่เสียไปไปซื้อรถขั้นอื่นอีกได่ง่ามกว่าเก่าคนวะไอ้ปอยนั้นข อ, อให้พวกเาขา้ะคณะชาติท่าญาติโ ย, ยมลูกหลานทุกคนเนอะให้สั่งสมบุญกุศลอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่ลงคอเด็กล้าวเนี่แหละนะ ลงพอบอกไปจนฝ้าดินถล่มเห็นบ่าแล้วฝนตกเลยเนี่ยเอาละการโูดมันนี่ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภาษีรัตนไตรก็าพุทธเจ้าพระธรรมระสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มคล้องขอให้พวกเข้าประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเถอ